4. ตติยาปราชิกกันว่าด้วยปราชิกสิกขาบทที่สามเริ่มเรื่องเล่าว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับณเรือนยอดป่ามหาวันใกล้กรุงเวสาลีพระองค์ได้ทรงแสดงอสุภะกระถาคือถ้อยคำปารพสิ่งที่ไม่สวยงามสันเสริญคุณแห่งอสุภะและคุณแห่งการเจริญอสุภะคือการพิจารณาเห็นร่างกาย โดยความเป็นของไม่งามกับทั้งคุณแห่งอสุภะสมาบัตคือการเข้าฌานมีอสุพะเป็นอารมณ์โดยปริยายเป็นอันมากครั้นแล้วตรัสว่าทรงพระประสงค์จะหลีกเร้นอยู่ตามลำพังพระองค์ตลอดกึ่งเดือนใครๆไม่พึงเข้าไปเฝ้าเว้นแต่ภิกษุผู้นำอาหารเข้าไปเพียงรูปเดียวภิกษุทั้งหลายปฏิบัติอสุภะภาวนา คือการเจริญอสุภะกรรมฐานพิจารณาร่างกายด้วยความเป็นของไม่งามก็เกิดเบื่อหน่ายรังเกียจ ด, ด้วยกายของตนเหมือนชายหนุ่มหญิงสาวที่ชอบการประดับตกแต่งอาบน้ําดํำกล้าวแล้วรังเกียจซากศพงูซากศพสุนัขซากศพมนุษย์อันคล้องอยู่ที่คอฉะนั้นเมื่อเบื่อหน่ายรังเกียจ ด, ด้วยกายของตนอย่างนี้ก็ฆ่าตัวตายบ้างฆ่ากันและกันบ้าง เข้าไปหานายมิคลันดิกะผู้แต่งตัวเหมือนสมณนะจ้างด้วยบาทจีวอนให้ค่าบ้างโดยในนี้นายมิคลันดิกะก็รับจ้างค่าภิกษุทั้งหลายวันละหนึ่งรูปบ้างสองรูปสามรูปสี่รูปห้ารูปจนถึงหกสิบรูปบ้างเมื่อครบถึงเดือนแล้วสเสด็จกลับจากที่เรนสทรงทราบเรื่องนั้นจึงทรงเรียกประชุมสง ทรงสั่งสอนอาณาปณะสติสมาธิคือการทําใจให้ตั้งมั่นโดยกําหนดลมหายใจเข้าออกโดยปริยายต่างๆแล้วทรงปราบรบเรื่องภิกษุฆ่าตัวตายฆ่ากันและกันรวมทั้งจ้างผู้อื่นให้ฆ่าคนทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบทห้ามมิให้ภิกษุฆ่ามนุษย์หรือใช้ให้คนอื่นฆ่าทรงปรับอาบัติปาราชิกแก่ผู้ล่วงละเมิด สำหรับส่วนนี้อัทธกถาได้ตั้งคำถามว่าพระพุทธเจ้าไม่ทรงทราบหรือว่าพระเหล่านั้นจะฆ่าตัวตายหรือจ้างเขาฆ่าแล้วฉเฉลยว่าทรงทราบเพราะภิกษุนั้นในชาติก่อนเคยเป็นพรานล่าเนื้อฆ่าเนื้อมาตลอดชีวิตเป็นเรื่องของการใช้กรรมที่ไม่มีใครจะแก้ไขได้พระองค์จึงทรงหลีกเร้นเสียตลอดกึ่งเดือน เรื่องของการใช้กรรมถ้าไม่ตายอย่างนี้ก็ต้องตายอย่างอื่นอนุบัญญัติข้อบัญญัติเพิ่มเติมสมัยนั้นอุบาสกคนหนึ่งไม่สบายภิกษุชพคีคือภิกษุมีพวกหกเกิดพอใจในภริยาของอุบาสกนั้นจึงพูดพันนาคุณแห่งความตายอุบาสกนั้นเชื่อ ก็ตั้งหน้ารับประทานแต่ของแสลงเป็นเหตุให้โรคกำเริบและตายด้วยโรคนั้นภริยาของอุบาสกจึงติเตียนยกโทษภิกษุฉับพักคีเหล่านั้นความทราบถึงพระพุทธเจ้าทรงเรียกประชุมสงไต้สวนได้ความเป็นสัตว์แล้วจึงทรงติเตียนและทรงบัญญัติเพิ่มเติมห้ามการพันนาคุณของความตายหรือชักชวนเพื่อให้ตายผู้ใดละเมิด ต้องอาบัติปาราชิกด้วยต่อจากนั้นเป็นคําอธิบายในคําบัญญัติสิกขาบทโดยละเอียดและมีข้อความแสดงเรื่องอนาบัตคือการไม่ต้องอาบัตว่ามีหกประเภทคือ 1. ภิกษุไม่รู้เช่นทำของตกทับคนตายโดยไม่มีเจตนา 2. ไม่ประสงค์จะให้ตาย 3. ภิกษุเป็นบ้า 4. ภิกษุมีจิตปุ้งซ่านคือเป็นบ้าไปชั่วขณะ 5. ภิกษุผู้กระสับกระสายเพราะเวทนากล้ากระทำไปโดยไม่รู้สึกตัว 6. ภิกษุผู้เป็นต้นบัญญัติว น, นีตาวัตถุเรื่องที่ทรงวินิจฉัยชี้ขาด มีเรื่องต่างๆเกิดขึ้นประมาณหนึ่ง้ยเรื่องเกี่ยวกับการกระทาของภิกษุที่มีปัญหาว่าจะต้องอาบัติปาราชิพเพราะศึกขาบทนี้หรือไม่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงไต่สวนและทรงชี้ขาดว่าต้องอาบัติบ้างไม่ต้องอาบัติบ้างตามควรแก่กรณีเฉพาะเรื่องสุดท้ายเกี่ยวกับการกระทาของนางภิกษุณี